การทำนิมิต120ที่ชื่อว่าการทำนิมิตอธิบายว่าภิกษุน์ทำนิมิตว่าเราจะขยิบตายักคิ้วหรือพงกศีรษะท่านจงลักทรัพย์นั้นตามที่เราทำนิมิตนั้นต้องอบัตทุกกฎภิกษุผู้ลักลักทรัพย์ได้มาตามการทำนิมิตนั้นต้องอบัตปาราชิกทั้งสองรูปภิสูจน์ผู้ลักลักซับมาได้ก่อนหรือหลังการทำนิมิตนั้น ภิกษุผู้ทำนิมิตไม่ต้องอบัตภิกษุผู้ลักต้องอบัตปาราชิก